ที่ท่บิมูซาอิน ك ้าฮุคานะมุคลาฟาวะคานารสุลันนบียะวนาดาบ ตูร์ลเอมันว่ารรบันะฮุนจียะว่าวะฮบันะลูมิร์รห์มัติ อั م ลอฮ ن, ن, ن, ن ه ه الله ل ل ل ا ل ر ح อฮ ا ل ัลล ل ฮฺอัลลอฮ ح อ م ล د อฮฺ و َลลอฮฺอัลลอُ ه ُ و َ ن َ س ْ ت َลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮِอัลลอฮฺอัลลอฺُอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลِฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลِฮฺอัลลอฮฺอัลِอฮ ا อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล م อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮَอัลَอฮฺอัลลَฮฺอัลลอฮฺอัล ا อฮ ل َัลลอฮฺอั ข้า ه ัดว่ามูฮัมหมัดเป็น ب سم الله الذي لا يضر مع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل و س و ا ل ك ب ر รั ا อาอุลเบคจากมิงานดาบิ์ Geneva ا ب นนารีว่าดาบิ์ฟินอับเรศละมัลิคุมารหพี่น้องที่ร่วมนมาศุบทุกทุกท่านกับประคำดุลิลละเราทุกคนขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูบะตาละเพราะการดำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ ทำให้หัวใจของเราเนี่ยสงบนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบเนี่ยนึกเองหรือว่าอัลลอ์แนะนำไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอัลล์ได้แนะนำไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานมีอายาหนึ่งอัลลอ์กล่าวบอกว่าอัลบิฎิคริลลาฮิตะตุมัยนุลกูลูอายานนี้คือคำแนะนำจากอัลกุรอาน อาลาแปลว่าจงรู้ไว้เถิดบิลิคิลละด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละตาตุมาอินนุลกูลูทําให้หัวใจของท่านนสงบการนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบแต่ทั้นการนึกถึงอัลลอฮ์มีอยู่หลายแบบหนึ่งด้วยการอ่านอัลกุรอานนี่แหละเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ แบบหนึ่งแบบที่สองรำลึกถึงอลัลลอฮ์ด้วยการนมัสารให้ครบวันละห้าเวลานี่ก็เป็นการรำลึกถึงอลัลลอฮ์ข้อที่สามรำลึกถึงอลัลลอฮ์เมื่อเราอยู่ข้างนอกจะทําอะไรก็ตามนึกถึงคําสั่งของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ห้ามให้ทําอีกข้อนี้ไหมอลัลลอฮ์ให้ทําอย่างนี้ไหมอลัลลอฮ์สั่งให้ทําแบบนี้ไหม เวลาเราเจอกับธุรกิจที่เราทำเนี่ยนี่ข้อเท่าไระข้อที่สามนีข้อที่สนะี่ลนะำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาเราเห็นเนี่ยเห็นเห็นต้นไม้เห็นฝนตกในอกรานอัลลอฮ์บอกว่าสังเกตสิเวลาเราให้ฝนตกลงมาเนี่ยเราจะให้แผ่นดินนั้นงอกงามไปด้วยต้นไม้เขียวชอุม่ม แล้วก็สังเกตเออที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยไม่มีหญ้าขึ้นเลยพอฝนตกเออหญ้ามันขึ้นเนี่ยนี่ทำไปแ้นึกถึง น, นึกถึงอัลกุรอานนึกถึงคำสั่งของอัลลอฮุบ ب า ا ن ه แะ ت ع ا ل ข้อที่ห้าเวลาจะเข้ามาสัสยิดออกจากมาสัสยิดออกจากบ้านข่าวห้องน้ำออกจากห้องน้ำขึ้นรถขับรถ เอ้นานบีสั่งให้ทำอะไรนึกถึงคำสั่งอ๋อให้นึกถึงตัวอา่อานตัวขอพอรต่อรอนี่จำลึกแต่กี่กี่ข้อแล้วเนี่ยห้าข้อแล้วนี่อา ก, การทำลึกถึงอลัลลอ์ในไปน้องแล้วก็นบีก็สั่งต่อไปอีกอุสกรุลลอฮ์ฮะจงจำลึกถึงอัลลอฮ์กุลรอให้เน้นในทุกๆเวลาในทุกๆโอกาสแบบ น, นั้นนั่งอยู่คนเดียวเนี่ย นบีก็สั่งอีกนั่งอยู่คนเดียวคิดถึงกลยดีที่สุดคิดถึงอัลลอ์ดีที่สุดชมว่าไงอ่ะสุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลลัฮิลลอฮ์ อ, อัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลออลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอีฺอั่ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอาอัล <c oughs> อฮฺ อ, อัลลอฮฺอนนัลลออัลรอฮฺออ a l h a m d u l i l l a h i l l a d z i ahya na, b a d a ma'amatan a wailahin nusud di b e n u a t o n tenon. Di u a a t o n cahuk Allahumma bika asbahna, wabika a m s a y n a wabika nahya, wabika n a wa m u tuwailahikan n u s u r w a l a h Oh, kau pun Allah, atau oh Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, a l l h Allah, Allah, a h a a h a a h a a ให้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเย็นแล้วก็ให้เราตายแล้วให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วให้เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นี่ดูอ่ะแต่ไม่ยู่วากดึงที่ท่านนาบดุีสอนอ um ัลลอฮุมาอินนีอาอูซูบีกามินะลกัสสลโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจ ละคนน่ยขี้เกียจมาก็เกียรขี้เกียรทุกันทุกคนนั่นแหละนี่ทำไมขยันมานามาสุโบได้ไหมขึ้นไม่ไหว <laughs> นี่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ปกป้องเราไม่ให้มีความขี้เกียจเพราะเราคลองอ่าวดูบิกามินลัลมินซูอิลกีบรีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตอนอายุเยอะๆหลง เอาไหมมีขยากได้ทุกคนเนึ่งแต่ความไม่อยากได้เนี่ยมันต้องอาศัยดวงด้วยอัลลอฮฺขุมอินนี่ยเอายุบิก้มินซูอิลกิบาดซู้แปลว่าเลวกิบาดแปลว่าอายุชรามีอายุสวแล้ว7จสิบแล้วยังเดินไปไหนมาไหนได้ยังลุกขึ้นนั่มาได้ยังขับรถได้นี่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺนะในขณะที่ บางคนเนี่ยเจ็ดสิบนอนหยอดข้าต้มมีไหมมีแต่เรายังเดินได้อัลฮัมดุลิลละต้องขอคุณนลลักษ์สุธานหัวตาแลนะครับขอบคุณนลลักษ์เป็นน้องที่เราได้ทบทวนกุรอานเนี่ย <c oughs> ปีนี้เป็นปีที่สิบเก้าแล้วสินะครับหัวหน้าเราขยุยเฉลิมเราหมด <c oughs> รักษาอามานานี่ดีมากอัลฮัมดุลิลละ พี่น้องครับอ่านคุรานดีที่สุดคุรานทุกอายาันในการพิจารณาุรานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นข้อเตือนใจเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมั่งอิจาตเป็นมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แล้วคนที่อ่านอัลกุรอานนี่พี่น้องครับใจของเขาโดยจะอิ่มเอิบตลอดเวลา คนที่อ่านอาัลกุรอานพี่น้องแล้วเข้าใจความหมายขาองอัลกุรอานอย่างที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยนะเวลาเราไปเป็นมะมูมใครเนี่ยและอิหมามอ่านเนี่ยเรานึกคําแปลที่อิหมามอ่านน่นนะว่าใจมันสงบอะละใจไม่ลอยใจจะมุ่งตรงกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตตาลานะครับหรือบท ด, ดวอะที่เรานามาที่เราอ่านในนามาเน่ะ ตอนรู้กัวก็กดีตอนสูญหยุดก็ดีหรือว่าฟาติฮะที่เราอ่านเนี่ยพยายามทบทวนความหมายของมันเรียกว่าตัดดับบุตรพิจารณาพินิษฐพิจารณาอายะอายะที่เราอ่านเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ทําให้อีหมานมันเพิ่มขึ้นแล้วหัวใจสงบจริงๆอีหมานมันเพิ่มนะครับอขอบคุณอัลลอฮ์นะวันนี้เรามาอยู่ในสุ ร, มร์มัตย์ยัม สุรธรรมรยมอายาที่สี่สิบเก้าขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับในอายาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนบีอิบราฮีมเนี่ยพ่อกโกรธนะที่ไปเตือนพ่อพ่อกโกรธแต่ว่าพ่อเนี่บยบอกแยกกันอยู่เลยนะไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะไปเลยไปห่างๆเลย คนนี่อ่ะเป็นภาษาของคนที่ไม่มีศาสนาก็จะคุยอย่างนี้หมดนั่นแหละรวมไปถึงพวกเราด้วยเหมือนกันเวลาไม่ถูกใจลูกนี่นะมันไปห่างๆเลยที่จะหักกศาสนาไม่มีนะถ้ามีขนาดมีก็ยังเบรกไม่อยู่เหมือนกันฉะนี้พยายามติดติดเบรกเยอะๆเพราะเพราะกุรานี่คือเบรกนั่นแหละ คำสวงของอัลลอ์นะ่คือเบรกเอาไว้เบรกหัวใจใเราอย่าให้พูดสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ใช่ไอา้าวนบีอิบรอฮีมพ่ อ, อไล่พ่อไปเตือนพ่อทำไมที่ที่ท่านคณะว่าจะต้องแยกจากกันเนี่ยนะท่านบอกอะไรนะสาลามูนาไลกัขอความสันติจงประสบแด่ท่านอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นคำให้สลังบระคลกาเฟตนนะ อิบราฮิมเป็นมุสลิมส่วนอาลาดคุณพ่อนะั้ไม่ใช่มุสลิมอายาที่47เนี่ยก็ลสซาลาโมนาไลขอความสันติจงประสบแต่แต่ท่านเนี่ยคำนี้ไม่ได้หมายความว่านาบีอิบรอฮีมให้สามกับพ่อนะี่ยไม่ใช่ต้องการจะบอกเราจะแยกทางกันนะแยกทางกันแบบสันติเราจะแยกทางกันแบบสันติ เหมือนกับอายาอื่นอธิบายว่าไงนะวอวตาคอตอบบ้าหูมุลญาฮิลูนก็ลูซาลลมานี่อัลลอฮ์สอนมุสลิมเวลาเราโต้อตอบหรือพูดคุยกับคนที่โ ง, โง่โงคนไม่ใช่ปัญญาคนไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจเลยสักนิดนึงเนี่ยเราพูดคำมันเถียงห้าเราพูดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวโอหมันดานู่นดานี่ อย่างนี้จะต้องไปกอ่ตอต่อก่อด้วยไหมยอย่าบอกอย่าต่อกอ่อเลยสาามสันติจงประสบกับคนนะั้นใช้ไปแล้วนไมาอยู่กับคุณลนะนี่กํามการจะอธิบายตรงนี้อ่าทีนี้เวลาจากกับพ่อแล้วนะจากแบบไหนอัลลอฮสั่งอีกนบีอิบราฮีมทำอัลลอฮฺเล่าให้ฟังซาอั ส, สตักฟรริรอละการอบบีตรงนี้ถ้าหากฉันจะพยายามขอความขออภัยโทษ ต, ต่อ พระผู้อภิบาลของฉันให้พอ่อเห็นไหมคนเป็นๆด้วยกันเนี่ยพี่น้องขอดูอาอให้กันได้เลยถึงจะคนละาศาสนาก็ขอได้ให้อภรรยาเปลี่ยนแปลงวัวใจเขาบางทีเราได้ลูกลูกสะพ้ายไม่ดีปัญดามันคนด่ามันเยอะวันแล้วคนขอดูอาอมีกี่คนนี่ปัญหามีอยู่ว่าคนด่ามันเยอะกว่าคนขอ นี่เอาหลอดเตือนในการพิลุกุรอานฉะนั้นเราอย่าเดินตามกระแสให้เดินตามอัลกุรอานอ้าอย่างมีคนไม่ดีสักคนหนึ่ง อ, อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนด่ามหมดใช่หรือไม่ใช่แต่ไอคนที่ขอดุอาอย่างนาบีอิบรอฮิมขอให้อาซาตจะมีกี่คนนี่ถ้าให้อ่านอายาที่สี่สิบเจ็ดนี่นะเราก็ไม่ขอเราก็ด่าห ม, มู่ชาวบ้านเรนล่ละแต่ไอการดามม่าหมองชาวบ้านนะถูกหรือผิด พี่ทำไมเราไม่เอาอายาเนี้ยมาใช่ล่ะขณะพ่อไล่ลูกออกจากบ้านเนี่ยลูกยังฉันจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับท่านอัลลอฮ์เห็นไหมนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดนะครับอัตอมาอินนาฮูกานาบีฮาฟิยแท้จริงพระ อ, องค์ทรงเอ็นดูฉันมาเสมอ นี่เป็นการเตือนนบีอิบราฮิมเนี่ยนึกตัวเองว่าขนาดอยูนที่ว่าเอ็นดูฉันเมตตาฉันนะเอ็นดูยังไงฉันอยู่ในบ้านคนกาเฟน่ะพ่อเป็นกาเฟน่ะแต่ทำไมอัลลอฮเมตตาไม่ให้นบีอิบราฮิมเป็นคนกาเฟละ่ะเนี่ฉะนั้นเราต้องมองตัวเองในออกวันนี้นะโอ้เรามาถึงขนาดนี้วันนี้อลลัลลอฮัมหมัดุลเลาห์อัลลอเมตตาฉันนะอานี่ดู คนในหมู่บ้านเนี่ยเท่าไรนะคนอีทจะไม่มาเต็มนะ่ะนาที่สนามสนามเพื่อมานัมาอีทจะมากันเต็มหมดแต่สุโภธรรมดาหายไปไหนหมดและเรามาทมดูลีเล่เนี่ยอรรถเมตตาเราอะ่ะใช่ไหมต้องนึกต้องนึกเยอะอองมาก่อนนี้บ้านไม่มีเดี๋ยนีม่มีบ้านรออรรถเมตตา แต่งานเรามีลูกอีกอัลฮัมดุลิลาลาอัลลอเมตาละลูกเรานมาดเป็นทุกคนอัลฮัมดุลิลลาต้องนึก <c oughs> นึกแล้วก็ชมอัลลอฮฺอินน ahu kana bi hafiya นะครับแท้จริงพระองค์ทรงเอนดูฉันเสมอครับนี่เป็นข้อเตือนใจนะเราก็นำอวาัายานี้มาใช้กับชีวิตของเราประจำวันนะครับเอาต่อมาวันนี้อายาที่สี่สิบเก้านะครับ فدما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل أن جعلنا نبيا الحمد لله Allah นี่ดีมากเลย มมาตาาห์มเมื่ออิบราฮีมได้หลีกห่างออกไปจากพวกเมื่อนบีอิบราฮีมเนี่ยออกจากหมู่บ้านออกจากบ้านจากพ่อจากญาติพี่น้อง เอตซาดาหุ่มหุ้มแปลว่าเขาทั้งหลายรวมไปถึงพ่อด้วยแม่ด้วยญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านย้ายแล้วอพยพแล้วเมื่ออิบราฮีมได้หลีกห่างไปจากพวกเขาและห่างจากไดอีกกวมายาบูดูนามินดูนิลและห่างจากที่พวกเขาเคารพพักดีอื่นจากอัลลอ ออกห่างจากหนึ่งออกห่างจากใครนะออกห่างจากพ่อออกห่างจากพวกและยังไม่พอเองนะว่ามายาบูดูนามินดูนิลแล้วแล้วก็ออกห่างจากที่พวกผู้เขาเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์ออกจากรูปเจวทิที่คุณพ่ออาซัดสร้างสร้างประกอบประกอบแล้วเอามาไว้ที่บ้านมันมีมันมีอะไรนะ่ะมันมีเขาจะว่าบ้าน อยู่หลังหนึ่งนะเหมือนกับเป็นวัดเป็นโบสถ์แบบนั้นแหละพระอยู่รูปรูปเจาวเวตเต็มไปหมดเลยนะใช่ไหมอิบรอฮีมก็ออกจากหมู่บ้านก็ออกจากรูปเจาวเวตด้วยทีนี้เนี่ยอลัลลอ์เล่าให้ฟังเองนะถะ้าไ อ, อการย้ายแบบนี้เขาจะว่าย้ายกันเพื่ออะไรนะเนี่ยในฮะดิษมีนะคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอลัลลอ์ในวันเตียมักเนี่ย มีอยู่เจ็ดกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งในเจ็ดก็คือรักกันเพื่ออัลลอ์แล้วก็แยกจากการเพื่ออัลลอ์อธิบายยังไงเ น, นี่ยอย่างในบีอิบรอฮีมเนี่ยกับคุณพ่อกับญาติพี่น้องจยต้องแยกออกจากกันเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องถูกบังคับให้กราบรูปจเจวีตเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อาจจะเกิดใจอ่อนก็ได้ แค่นั้นการแยกออกจากการเนี่ยดีไหมดีเราอยู่กับสามีภรรยาเราเนี่ยเราอยู่กันเพื่ออาลม์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ที่ทหาสามีภรรยาคู่ใดอยู่กันเพื่อสังคมมีไหมมีมนั่นไม่ได้อยู่เพื่ออาลม์ผลบุญไม่มีนะเพเจ้ผ ม, มีเพื่อนๆ อ, อยู่ ม, มุสลิมเนะ่สามีภรรยาอยู่อยู่ด้วยกันนะถามว่าอยู่กันทาไมเนี่ย นอนคนละห้องอ่ะอยู่เพื่อสังคมสามีก็ดังคนรู้จักเยอะภรรยาก็เด็คนรู้จักเยอะมีลูกิษย์ลงหาเยอะลูกสิษย์ลงหามาเที่ยวบ้านมาเจอทั้งๆทงี่นับถือคนลศาสนานะอยู่เพื่ออะไรนะอยู่เพื่อสังคมแต่ไม่ได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์อ่ะพี่น้องไอ้การอยู่แบบนี้นะไม่มีบรารกัดอยู่แบบนี้ไม่มีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ ขอหนาบีสอนอย่างนี้กุรานสอนอย่างนี้อัลอาคิลลายามาอิด uh um ิมบาุมลบาอดิาอดการอยู่ด้วยกันรือการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนการรักใคร่กันไปไหนมาไหนด้วยกันดูแลกันช่วยเหลือกันในวันในวันนี้นะแต่มาจะทำเพื่ออัลลอฮนะ อัลอาคิลล่ยาว์มาอิริมบาอุดุมหรือบดินอัดูพอไปในะถึงไปถึงวันตี亚มะนะไอการอยู่ด้วยกันวันนี้ช่วยเหลือกันวันนี้ไม่ได้นามของอัลลอ์ไม่ได้อาศัยอีมานจากอ Al ัลลอฮ์อัลอาคิลล่บาอุดุมหรือบดินอดูอดูแปลว่า anime, เอนิมีแปลว่าศัตรูกลายเป็นศัตรูกันทันทีก็เพราะมึงนี่แหละมึง <laughs> ไปด่ากันเอง ไปสาบแช่งกันเองในวันไหนในวันเตี่ยมาฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราทําอะไรบนบนบนดุลยาใบนี้นะมันสืบเนื่องไปถึงวันเตี่ยมากด้วยนะนี่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์หรอกอยู่ด้วยกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อตําแหน่งเพื่อสังคมเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อแต่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะ อัลอาคิีละยาวมาอิริมบางรูหุมหรือบางดินอดูพอไปวันเกียงมปาปั๊บเป็นศัตรูกั น, นทันทีนี่อัลลอฮ์เล่านอัลเบียร์กออ่านให้ฟังล่วงหน้าแล้ววันนี้ตเราต้องนึกเยอะเฮ้ยเราอยู่กับพายาวอยู่เพื่ออะไรกันแน่เนี่ยมันต้องอยู่เพื่ออัลลอฮ์ให้หมดหน้าอ้าวยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ท่านฮัสซันบัสุรีนี่เป็นบุนคคลตัวอย่างนะแต่ไม่ใช่นบีนะ หางจากนบีก็เป็นร้อยร้อยปนะีท่านทัสันบาซุรีเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่เป็นเป็นอาหลี่ยมโอลมาเป็นคนดีอะ่ะคนดีคนนี้เนี่ยถูกถูกดา่า <c oughs> อย่าลืมว่าคนดีก็ถูกดานะพขาถูกด่าเสร็จแล้วก็ท่านทําไงรูวว้เปล่าท่านเดินผ่านมาเนี่ยญาติกลุ่มปะเนี่ย บ้านหลังนี้กำลังด่าท่านอยู่ท่านก็เดินผ่านไปพอเข้าบ้านเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกลูกไปเอาจานมาใบากะละมังหรือถ้วยชานั่นแหละเอาอินทผลามมาใสา่ใส่ใ ส, ส่ให้เต็มลูกอินทผลามสดๆเอาไปให้บ้านหลังนี้ธรรมะมาก่อนไม่ได้ให้แล้ววันนี้นึกจะให้พอลูกถามว่าเอาไปให้ทำไมพ่อพ่อว่า เขาโอนความดีเข้าบ right, ัญชีพ่อเขาโอนความดีของเขาเข้าบัญชีฉันเข้าบัญชีพ่อพ่อไม่รู้จะตอบแทนอะไรอ่ะก็เอาอินทรพลามใส่จานไปให้เขาก็แล้วกันเห็นไหมทำไมเขากล้าทำขนาดนี้เพราะเขานึกภาพในโลกอาคิรักงเจ้า่มถึงได้เอาอินทรพลามใส่เพราะว่าในคัมภีร์กุอานอธิบายว่าใครที่ด่าคนนั้น ด่าคนนี้นินทาคนนั่นนินทาคนนี้ถ้าหากเขาไม่ได้ผิดจริงอย่างที่เรานึกเท่ากับคนคนนี้นะ่ะเอาความดีของเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีของคนที่เราไปด่าเขา ท, าทันทีเห็นไหมนั่นคนดีเ <c oughs> อาอีกอี ก, กรนีหนึ่งทันสายบินมุไซยับ <c oughs> ทันสิยบินมุไซยับคนนี้เป็ น, เ ป, นเป็นตาบีอินนะ่ะ เห็นสอฮาบานาบีจะไม่เห็นนบีท่านมานมาดมาณมาดที่มัสยิดเนี่ยสี่สปีไม่เคยขาดเลยนะสี่สบปีเพยเฉพาะยังยิ่งเนี่ยมาดอิชนมาดซูโบเนี่ยนะมันมืดสมัยก่อนเนี่ยมืดใช่ไหมสมัยนบีเนี่ยมืดเดินมาไม่มีไฟฉายเลย มีคนทักบอกท่านก็แก่แล้วจะไปนะมาทำไมกลางคืนที่โซราวเอาพาวชงวะชายไปด้วยก็ บ, บอกไม่เอาเพราะฉันจำหะดิษของท่านนาบีบทหนึ่งนบีสอนอย่างนี้บัชชิริลมาชาอินมาชาแปลว่ามาชาแปลว่าเดินจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่เดินไปมัสยิดบัชชิริลมาชาอินฟิลโวลามีอิลลลมัสยิด จงแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินไปนมาที่มัสยิดในเวลายุลุมยุลุมหมายถึงเวลามืดแสงไฟไม่มีตะเกียงก็ไม่มีเดินไปตอนมืดมื ด, มดน่ะได้อะไรบินนูริตามเขาจะได้รัศมีอย่างสมบูรณ์ครบบริบูรณ์เย้ามังกยมะในวันทียามะ ถ้ท่านคนที่เดินมานามาัสเนี่ยที่มัสยิดนี่ยพี่น้องคนละบุญวันนี้เอาล้อยยังไม่ให้นะแต่จะไปห้าอะไรในรูปของรัศมีที่ผมเคยแนะนาว่าในทุ่งมหัชัดเนี่ยมืดนะไม่ใช่สว่างนะพอมือดเนี่ยวเวลามันเดินมันเดินมันเดินไม่ออกเลยแต่ไอคนที่เดินออกก็คือคนที่เป็นมุมินรัศมีจะอยู่ข้างหน้าเขาและอยู่ข้าง ข้างขวาเขาถามว่ารัศมีเอามาจากไหนอ่ะถ้าเราไม่สะสมไว้ตั้งแต่บนโลกดุนยารัศมีของการอาบน้านามาดมีไหมมีที่ใบหน้าจินตภาพเนี่ยรัศมีอาบน้ำนำานาำอาดออกที่ที่เท้ารัศมีอีกแห่งหนึ่งก็คือรัศมีแห่งการสุญยูดเนี่ยที่ใบหน้ามีรัศมี นี่ถ้าเราไม่สะสมตั้งแต่บนโลกดุนยาไปนี้ในวันเตียมาที่มีรัศมีไหมไม่มีและข้อที่สี่เนี่ยรัศมีแห่งอีมานได้าจากไหนได้าจากการเดินมามัสยิดในเวลากลางคืนพี่น้องตอนซบโบเนี่ยกี่ก็มืดตอนอิชาก็มืดใช่ไหมแต่เราก็พยายามเดินมานมาที่มัสยิดหวังอะไรนูริตามรัศมีที่สมบูรณ์ในวันเตียมา ถามว่านบีอิบราฮิมาเข้าเรือของเรานบีอิบราฮิมกับนางอนายอาซักเนี่ยแยกออกจากกันนะเพราะอะไรเพราะคําสั่งอัลลอฮ์ถามว่าแยกกันดีไหมไอ้แยกกันมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะลูกกับพ่อแยกกันจะดีตรงไหนอันบียูซุฟนะ่ะถูกจากไปกับพ่อกี่ปีสี่สบปีแล้วก็พ่อเนี่ยคิดถึงร้องไห้จนกระทั่งตาเลยนะตาบอด แลวผลสุดท้ายอัลลอ์ให้พบกันไหมพบกันหลังจากกี่ปีสี่สิบปีวันเกียมะ่ะก็พบกันเองใช่ไหมนะแต่เนี่ยจะต้องแยกออกจากกันเห็นหรือยังอ่ะทั้งการแยกออกจากกันไม่ใช่เรื่องดียิ่งพ่อแม่ก็เสียใจลูกก็เสียใจแต่เพราะคำสั่งของอัลลอฮ์แยกออกจากกันเพื่ออัลลอฮ์มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอะอัลลอฮ์อับลฮอัฮอัลลอลอออฮอฮ แยกออกจากพวกของเขาแลวยังไม่พอแยกออกจากอะไรนะสิ่งที่พวกเขาเคารพพักดีอื่นจากอัลลอ์พอแยกออกจากกาันก็ว า, วาฮาบนาลาหูอิฮาตวายากูเราได้ประทานแก่เขาอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องการแต่งงานแต่เล่าเรื่องลูกแสดงว่าต้องผ่านการแต่งงานนี่ เอาว่าไม่เลาเรื่องกันแต่า ง, งานเล่าว่าเราได้ประทานให้กับเขาอะไรลูกชื่ออะไรสองคนอิสฮะนะครับวาวาฮบนาลาหูอิสฮะแล้วก็ยาคูนี่ใช่ไหมเราได้ประทานหลังจากนาบีหลังจากนาบีอิสมาอินโอ้โหนะนี่เล่าเรื่องหลานเรื่องลูกให้ฟังเลย ฉะานั้นเรื่องตระกูลเนี่ยสำคัญนะพี่น้องรักษาตระกูลกันไว้ให้ตระกูลเราน่ะเป็นคนรักษาศาสนาดีกว่านะรักษาศาสนาเราทำอยู่แล้วแลวละวาวาฮาบนาละหูอิชฮะกยากููเราได้ประทานแก่อิบรอฮิมลูกหลังจากนาบีอิสมาอิชื่ออิสฮานี่เลือกเลือกเล่าเป็นบางคนงจริงจนะอิบรอฮีมมีลูกสองคนใช่ไหม อิสมาอินคนกับใครนะอิสหาตแต่เนี่ไม่เล่าอิสมาอินเล่าว่างไง น, นะอยากกูเอาหลานขึ้นมาเล่าให้ฟัง น, นี่เตือนใจเราเราต้องนึกเออลูกเราไม่ชาจะแต่งงานเดี๋ยวจะมีหลานเอ้ลูกลูมขอทุอาเป็นือเป่าแชรขอเผือไ้เลยได้ไหมได้ทันยังไม่ตายใช่ไหมลูกยังไม่แต่งงานใช่ไหมขอเผือเลยอย่าเอารอให้หลานฉัน เป็นหลานที่ดีมีศาสนาเผื่อไปเลยถ้าเราเป็นคนสะอาดเป็นคนดีนำมาสะอาดขอดหนาอาลอลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺรับอยู่แล้วแตนี้ถ้าหากว่าทางทางทางสองฝ่ายขอแนะ่ะฝ่ายพ่อก็ขอฝ่ายแม่ก็ขออัลลออลวาต์อย่าลืมนะ <c oughs> ฝ่ายพ่อขอฝ่ายแม่ขอทั้งสองสายเนี่ยขอกันหมดเลยลูก แจวหลานแจวเลนแจวอะไรทำอยู่บนโลกดุนยาแบนี้แบบมีเกียรติแล้วก็สง่างามเอา้ายังไม่พอครับวกุลัญจ า, านาบีอาแต่ละคนกุลล่าแปลว่าแต่ละคนทุกคนนั่นแหละแต่ละคนนั้นเราอลัลลอฮ์เนี่ยได้แต่งตั้งให้เป็นนบีโอโหอลัลลอฮ์คำว่านาบีนี่นะ ก็คือ น, นบีจริงๆนั่นแหละแต่ในในปัจจุบันเนี่ยเราจะให้ลูกเป็นนบีได้ไหมไม่ได้เพราะนาบีหมดแล้วยันบีก็เป็นตัวแทนนบีได้ไหมได้อย่าร อ, อให้ลูกฉันเนี่ยได้มีโอกาสได้เอาความรู้ของนบีเนี่ยมาสอนคนฉันการเป็นผู้นําเนี่ย อ, อนนองพี่น้องผู้นําเนี่ยลีเดอร์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะ่นะ ในหมู่บ้านมีผู้นำอยู่สองคนสามคนกิมารยาดีอะไรดีนี่ไม่ใช่มาเองนะอัลลอฮ์กำหนดมานะ่ะเหมือนใครเหมือนนบีอิบรอฮีมอัลลอ์ให้อิสฮากมาให้ยากูบมาให้อิสมาอีนมาทั้งหมดเหล่านี้เป็นนบีเป็นผู้นำหมดเลยนี่แสดงว่าดุญยาดีไหมดีดุ <c oughs> ดญยาดีไหมดีเห็นไหม ท่านใครใครใครพูดแต่บางคนบางคนยังคิดว่าดุลยาเนะ่ะไม่ต้องเอาดุลยาเอะแล้วเอายาเยอะ เ, อ เ, อะเอะสีดุลยาเนี่ยอมีดุลยาก็ถึงกับอบรมลูกให้ดีใช่ไหมลูกจะได้เป็นผู้นําคนไม่ต้องเป็นผู้นําดีหมามก็ได้อเหรอกผู้นต้องสูเราก็ได้สอนอบรมเขาให้เขานี่ย่างภาคตะดูร้อนนั่นไงไม่มีใครคิดกันลูกเราคิดนะอ่ะเออ อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสอนกุรอานแล้วก็สอนเลขด้วยสอนเรื่องนูน่นเรื่องนี่เรื่องคอมพิวเตอร์ก็สอนไปสิไปน้องเนี่ยคนที่เป็นผู้นำคนแบบนี้นมันจะเกิดมาเองนะอัลลอฮจัดให้เกิดทั้งๆที่ภาคาดูร้อนเนี่ยเป็นภาคที่ต้องพักผ่อนใช่หรือไม่ใช่หใชเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปี แต่เราไม่เหนื่อยเราทําได้อีกงานศาสนางานของอัลลอฮ์สุบฮานาหูอาตาแล้วอา้าวนี่ยกตัวอย่างนั้นนบีอิบรอฮีมนั้นเมื่อจากพ่อมาแล้วนะมาจะจากมาละวาเวนะอัลลอฮ์มอบให้มีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วเอ่ยชื่อลูกด้วยชื่ออะไรนะอิสชาแล้วก็อะไรนะยากูบทําไมต้องเอ่ยอยะกูบเพราะยะกูบเป็นลูกยูคนที่สนะิบเอดะชื่อนบีอะไรนบียูซุสเห็นไหม ลูกเยอะแต่บางคนอ้างว่ะฉันลูกเยอะนมาศไม่ไหวใครบอกในอุลมามะในนามวนนบียากรูลูกตสบอ็ดคนขคาๆนี้นมาศไวอ้อ่ะเองแค่แคห้าคนอ้างว่านมาศไม่ไหวบางคนก็พูดฉันน่ะไม่มีเวลานมาศบางคนก็พูดไม่มีที่นมาศไม่ใช่ที่กี่ไร่วันนมาศอ่ะมันมันคือมันพูดด้มันเอาไปเป็นหลักฐานไม่ได้อันนี้พูดโดยอารมณ์จังหด จากนี้เป็นต้นนะครับอ้าวต่อมากครับคำว่าอียตาซาลาหุมเนี่ยห่างลีกห่างไปจากวูเขานั้นมีอยู่สามรายการหลีกห่างนน้นะหลีกห่างหนึ่งหลีกห่างด้านหัวใจหลีกห่างด้านหัวใจอธิบายยังไงพ่อของอิบรอฮีมเนี่ยชื่ออาซานีนะหัวใจของเขาเนี่ยหลงดุนยา นี่ว่าเลี้ยงห่างนะลี้งห่างนะลี้งห่างด้านแรกคือหัวใจพ่อคุณพ่อเนี่ยหลงดุนยาส่วนอิบราฮิมนั้นนึกถึงโลกอาคิรอเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องอาตีดะเรื่องความเชื่อคุณพ่อของนบีอิบราฮิมเนี่ยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกใบนี้เชื่อว่าเนี่ยรูปปั้นเนี่ย แก้ปัญหาได้อย่างพวกเราบางคนเนี่ยเอาต้นอะไรนะต้นขนุนกับต้นมะยมมาปลูกไว้หน้าบ้านนี่บ้านคนพุทธเลยนะผมมีคนพุทธหลายคนรู้จักกันผมก็ไปเยี่ยมเนี่ยต้นขนุนกับต้นมะยมทำปลูกทำไมอะไรไม่รู้เรื่องเลยอหรอเอามีอะไรเลยขนุนก็ทำให้สนับสนุนบ้านหลังนี้ให้มีชื่อเสียงมะยมก็มีคนมานิยมชมชอบตัวอออย่างี้เองนะ อ้าวอานอิสลามไม่อนุญาตให้มุณชิริกอย่างแรงเลยก็คุยกันแต่หลวงวันนายบียบรอฮีมเนี่ยเชื่อในอัลลอฮ์องเดียวส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่เชื่ออัลลอ์แต่เชื่อในวัตถุเห็นไมเนี่ยแยกกันเรื่องที่สามเรื่องที่อยู่อาศัยก็ต้องแยกกันแต่นี้บางคนเนี่ยแยกไม่ได้ก็มีจาเป็นก็ต้องอยู่ใช่ไม แต่ถ้าแยกได้ก็แยกดีโอลามาก็แนะนำบอกว่าอย่างพวกเราคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราอยู่กับคนที่บูชาเจวเวศเนี่ยเราอยู่กับคนที่กินเนื้อหมูแล้วก็บางประเทศเนี่ยพอมาประเทศไทยเขาไม่รู้จักเนื้อหมูได้ยินแต่เนื้อหมูพอเจอเนื้อหมูจริงสังเกตไม่ออกเนื้ออะไรกันเนี่ยก็ซื้อกินใช่ไหมล่ะไอ้เราเนี่ยเรารู้เนี่ยสียงงี้เนื้อหมู สียางงี้เนื้อแพ้สีอย่างงี้เนื้อเนื้อวัวเรารู้หมดแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จักเนื้อหมูได้ยินแต่เนื้อหมูแต่มาเจอเนื้อหมูจริงจริงเอปิ้งอร่อยดี่นี่ <c oughs> คนรโลอ ว, วันเขาจะวินได้มิงดาฉะนั้นอยู่ว่าคนาคาเฟ่บ้างก่อนดีจะได้รู้อะไรเป็นอะไรนะครับพี่นอ้องเอาต่อมาครับข้อ <c oughs> เรื่องที่สองนะครับนบีอิบรอฮิมอยู่ห่างจากพ่อญาติพี่น้อง และย้ายไปอยู่ที่ประเทศประเทศใด น, นะประเทศชามนี่นะครับแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยยกย่องให้เกียรติทั้งดุนยาและอาคีรออาให้เกียรติดุนยาเนี่ยดุนยาอธิบายยังไงให้มีลูกและมีภรรยาแล้วก็มีเงินนี่เใช่ไหมนี่คือดุนยาเกียรติเกียรติดุน ย, ยดดญญ า, ายที่มีภรรยามีลูกมีบ้านนี่เกียรติดุนยาที่อัลลอฮ์ให้แล้ว แล้วก็เกียรตีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเกียดดรติด้านโรฮานิยะด้านอะไรนะด้านจิตวิญญาณก็คือเนื้อมาตุลอาคีรอให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จก AH, ัจกอิสลามนี่ไงเกียรติในโลกอาคีรอท่า น, นเรามีสองโลกนะดุนยาเรามีไหมมีเหมือนคนกาเฟสนั่นแหละแต่คนกาเฟสไม่มีคือเนื้มาตุลอาคีรอเนื้อมัดในโลกอาคีรอคนกาเฟสไม่มีแต่พวกเรามีฉนั้น พ่อแม่นะ่ยอบรมลูกในบ้านเนี่ยอบรมเรื่องนี้พอแล้วเรื่องอัลลอฮ์กับเรื่องอีม ا ن อ้าวเรื่องอัลลอฮ์มีถึงา ก, กี่กี่กี่ข้อซิฟัดอัลลอฮ์มีเท่าไหร่น ะ, ะคุยเรื่องเก้าเก้าเก้าสิบเก้าพนามเนี่ยละลองอดูสิพ่อต้องไปอ่านหนังสือกี่เล่มเรื่องซิฟัดเก้าสิบเก้าซิฟัตเนี่ยไม่ใช่ยนีะ่สิบนะเราถูกหลอกมาทั้งนาเรียนยี่สิบซีฟัตอีกแปดสิบไม่ได้เรียน อานั่นจะเรื่องศาสนานะพ่อสอนและเรื่องอีมานอีมานทั้งหมดเจกว่าสาขาผมเพิ่งบอกไปเจสาขาเองยังมีอีกตั้งหกิกว่านี่มาได้ขอเอานีเป็นต้นนี่อัลลอฮ์ให้นะก็เป็นน้องทัง้งหลายทีนี้แล้วให้อะไรอีกในภตับซีภาษาอุนดูอธิบายดีก็บอกว่าอิบรอฮีมเนี่ยทำให้มีกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มมุสลิม ก ล, มมลนะกลุ่มมุสลิมนะนะกลุ่มมุสลิมกลุ่มยะฮูดีกลุ่มคริสเตียนสามกลุ่มใหญ่ๆมาจากนาบีอิบรอฮีมหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่เห็นไหมขอบคุณน้องล่องสุพรรณาราะะครับอที น, นี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยกับเรามีความสัมพันธ์กันเยอะมากเยอะมากเลยถ้าในนมาศเราไม่เ อ, อ่ยอิบรอฮิมนมาศใช่ไม่ได้ตอนไหน Allahu um maṣallā al al al uh all ala Muḥammad wa ala alī Muḥammad كما ص ل ล تعالى إ ب ر ا บ ي م นี่น้มาก่อนให้สาลามใช่หรือไม่ใช่อัตหายานะนี่ทามุสลิมเราไม่ไดนะ้ไม่กาวนะไม่กาวอะไรนะไม่กาวสันละวาดนำมาใช้ได้ไหมใช่ไม่ได้ผูกขาดตกบกพร่อง ท, งทันทีฉะนั้นเราก็อิบรอฮีมมีความผูกพันกันตลอดเวลาเอานี่พี่น้องไปเริ่มทำองมรอกันแล้ว ไปเดินที่ภูเขาซอฟามารว่า น, นึกถึงใครนึกถึงภรรยาของนบีอิบราฮิมาดยฮิสลาลฺเห็นไหมเรามีความผูกพันกันตลอดเวลานะครับขอบคุณอัลลอฮสุบฮานาบูวตาะอาทีนี้มาถึงอายานนี้คำว่ายากรูบเนี่ยโอ้โหมันอธิบายเยอะแดีวขอตัดนะอธิบายยางงี้นบียากูบเนี่ยมีลูกหลานเยอะ ก่อนจะตายเนี่ยน บ, บีกุยโกบเรียกลูกหลานมาประชุมเนี่ยมันเป็นข้อมูลอันหนึ่งนะคนที่รักษาสกุลน่ยอย่างอะไรสกุลซุลตานอะไระัะซุลมานสุลตรอสุลไลมานใช่ไหมอยู่เขาแดงสงขาเนี่ยเขาจะประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้งอะเขาจะประชุมกันปีละครั้ง พขก็ น, นึกถึงอายัญญนนี่คือกูอ่านเล่าเองนะครับว่าอัมกุนตุมชูฮาดาอิสฮาดารยะกูบัลเมาต์เมื่อนบียาคูใกล้จะถึงอญญายันตายอิกร์ลาริบานีฮิเขาได้เรียกลูกๆของเขาเนี่ยมานั่งประชุมกันเยอะนี่ไปเป็นร้อยอะเพราะลูกอย่างเดียว11คน12คนแล้วล่ะใช่ไหมแล้วกันหลานเท่าไหร่นะใช่ไหม เรียกมาประชุมแล้วถามบอกว่ามาตามบูดูนะเมนบานดีนี่อลรถสรุปให้ฟังเลยนะหลังจากพ่อตายพวกท่านจะนับถือใครจะกราบไหว้ใครก็รู้พวกลูกหลานที่มาประชุมเนี่ยทั้งหมดพูดว่าไงนะนาบูดูอิลาฮากวะว่อิลาฮาอาบาอกะอิบรอฮีมาวอิสมาอิลาวอิชาเราจะเคารพพักดีประพูอภิบาลของท่าน และพระเจ้าของเบียนบันพระบุรุษนะครับของท่านก็คือนบีอิบรอฮิมวะอิสฮากและวะอิสมาอินและวะอิสฮากฉันจะเดินตามเนี่ยพระเจ้าที่นบีอิบรอฮิมบูชาดุกราบอิสมาอินกราบและอิสฮากกราบนับถืออัลลอฮ์นับถื อ, Allah, ถอาศาสนาต้องการจะอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้บ้าน บ้านนาบีเนี่ยเขาพูดเรื่องศาสนาอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่กับลูกห ล, ล, ลานะกับคนทั่วทั่วไปแต่ทําไมอลัลลอฮ์เล่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนพวกเราเวลาเรามีบ้านมีช่องมีลูกมีหลานมีตระกูลเนี่ยนึกลูกหลานเราจะมีศาสนากันหรือเปล่าละก่อนตายเนี่ยเรียกมาประชุมกันบ้างอย่างน้อย ก, อกับปีละครั้งได้ไหมเอา้าอยา่างละมุดเนี่ยมิตรหลายเคิร์นไห้หมดเลย นั่งคุยกันเรืงธุระเกี่นคุยกันอยู่แล้วลนะ่ะเรื่องศาสนาที่เราเป็นห่วงนะใช่ไ่ะนะนก็อย่างนี้เป็นตน้นอยู่เป็นสุกเนือตระกูลโอ้โหพูดก็มีทาไงอ่ะ <laughs> แต่มีอยู่คนมารับอิสลามอะ่ะผู้หญิงมารับอิสลามอัลลอฮฺก็นั่งคุยกับผมรับอิสลามมาแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมแล้วก็ดีใจนะเขาบอกรับพี่น้องกัน <laughs> อ, า อ, อ้าวผิน้องผิดน้องเลยครับดุริเล่ผิดน้องเนี่ยถ้าเรานึกถึงศาสนาเยอะๆนะแล้วก็เรียกถิดญาติผิดน้องมาประชุมกันอะไรกันเตือนเรื่องศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งยุคนี้นะ่ะยุคไฮเทคน่ะประชุมอะไรก็ง่ายหมดเปิดจอขึ้นนุ่นขึ้นนี้ใช่ไหมอัลลอฮ์อักบัตขอสรุปนิดหนึ่งเนี่ยลูกชายกษัตริย์ล่างในฟังแล้วเล่ามาอีกเที่ยวนะลูกชายกษัตริย์เนี่ยจะไปล่าสัตว์ แล้วก็กับเกลียดมุสลิมก็บอกว่าอยากให้มุสลิมเดินผ่านมาตรงนี้นะมุสลิมว่าเดินเดินผ่านมาแล้วก็ไปประจับมาเลยชื่อยามาลุดดินพอจับมา ก, กลูกชาติรก็เกลียดมุสลิมถามคุณกับหมาชั้นเนี่ยใครดีกว่ากันถามภาษาหนักมากนะอุลมะธานนี้ตอบบอกว่า ถาหากต้องรอให้ฉันตายก่อนถึงจะตอบได้เขาเอ็งตอบมาเลยตมาเลยเอา้าสรุปก็คือถ้าหากว่าฉันเนี่ยตายในสภาพที่ฉันมีอีมานฉันเนี่ยดีกว่าสุนัขของท่านแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานเนี่ยสุนัขของฉันดีกว่าฉันแน่นอนตอนนี้ลูกชายกับฉันไม่เคยยินคำว่าอีมา ن เนี่ยได้ยินแต่เรื่องอย่างอื่นหมดเลยเรื่องกินเหล้ากันบรรนานเต้นราร้องเพลงใช่ไหมละ่ะ อ ي มานไม่เคยได้ยินถางว่าอีมานคืออะไรอีมานก็คือคนที่ยอมรับว่าใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างท่านใครที่รู้ว่าโลกใบนี้ใครบริหารแล้วก็ตายแล้วฟื้นขึ้นมามายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วถูกคิดบัญชีเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีีมานเนี่สามประโยคนี้ทำให้ลูกชายศาสตร์นี่คิดหนักและต่อมาก็ เรื่องมันยาวนะรับ อ, อิสลามเพราะการตอบปัญหาของอุลามะตอบแล้วทําให้วใจัเนี่ยมันโอลโลเกิดเกิดอะไรนะเกิดไฟอะนะโอลโลอะไรอิมานอิมานเ น, นี่ยให้รับอิสลามฉะนั้นเราน่ะมีลูกหลานเราอยากให้นึกถึงอิมานเยอะๆรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูนเราก็รู้จักอิมานอิมานมีทัเท่าไหร่เจ็กว่าข้อไหนพี่น้องครับเอาต่อมากับอายาที่ห้บ วَวَ ه َ ب ْ ن َ ا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ل ِ س َ ا ن ً صِدْقًا ع َ ل ِ ي ا> <c oughs> ا ل م ا وَوَهَبْنَا لَهُمْ แปลว่าอะไรครับและได้เราได้ประทานความเมตตาของเราให้แก่พวกเขาเหล่านั้นหมายถึงพวก อิบราฮีมเนี่ยพอแยกออกจากพ่อแล้วใช่ไหมมีลูกมีหลานมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเนี่ยใครให้ครับอัลลอฮ์ให้ท่านพวกเราวันนี้นะอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนะมีมัสยิด ม, มีนู่นมีนี่มีนี่มีนั่นอัลลอฮ์อัลลอ์ให้อย่าไปคิดว่ากูเก่งนั่นละมึงระเลวที่สุดนึกว่ากูเก่งใครยังไงอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดความรู้อัลลอ์ให้นะ วาวาฮาบนาลาหุม ah um. และเราได้ประทานความเมตตาของเราแก่พวกเขาโรฮมาตินาแปลว่าความเมตตาลูกเป็นโรฮมาบ้านเป็นโรฮมาความรู้โนเลชเป็นโรฮมารถเป็นโรฮมาเนี่ยอีมานเป็นโรฮมาศาสนาเป็นโรฮมาเราอัลลอฮ์เล่านะเราได้ประทานความเมตตาของเราเนี่ยให้แก่เขาเหล่านั้นและยังไม่พออีกครับให้อะไรอกีก ว่าจะนาลาุมและเราได้ทําให้พวกเขาลิซานดิซานแปลว่าลิน้นซินกินซินตกินแปลว่าจริงคือพูดจาจริงหรือภาษาความดีแต่นี่แปลว่าความดีนะลีซานนะซินกินแปลว่าความดีที่เลื่องลือความดีที่คนสรรเสริญ ลิซานเดวลินมาถึงภาษาที่ออกมาจากปากคนนี่นะซินตกินเป็นของดีๆหมดเลยอธิบายยังไงอัลลอ์เนี่ยได้ทำให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยพูดชมถึงนบีอิบราฮิมพี่ต้องการที่ประชาชนพูดชมใครเนี่ยนั่นมาจากอัลลอฮ์นะและประชาชนที่ด่าด้วย อันนั้นก็มาจากอันเอ่าพวกกันอันเล่าเอาถูก ด, ด่าไปไเต้แล้วเรื่องด่าเราไปจนคุยพอเราไปที่รู้กันอยู่เอาเรื่องดีกันแล้วกันจะนั่นคนที่พูดชมคนเนี่ยนะมันไม่ชมกันง่ายๆหรอกใช่หรือไม่ใช่ออลลอฮฺไ ม, ม่จะชมกันง่ายๆหรอกพี่น้องจะนั่นไอ้นบีอิบรอฮีมน่ะเป็นกลุ่มชนและลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเป็นกลุ่มชนที่ประชาชนพูดชมเจอตลอดเวลา อย่างเราเนี่ยพูดชมนาบีบรหิเป็นลูกหลานของท่านใช่ไหมนายอะไรในนามาดถ้าไม่ชมนามาดซ้อมไหมนามาดไม่ซ้อใช่ไหมขาดตกบกพร่องเลยฉะนั้นการชมเนี่ยอย่างมุสลิมมีเท่าไหร่วันนี้กี่ล้าน 2,000 ล้านเอาเป็นตัวอย่างอาสองพัก็ได้ อัลลอห์ 2,500 ล้านนี่ก็หึมอิบราฮมดีมากอัลลอฮุมมาบาริอลมุวาลีมุกมาบารอกตลาอิบราฮมวลาอลีอิบราฮมเห็นพูดชมเชยในทางที่ดีหมดเลยขอบคุณอัลลอ์สุพรานบุรวัลอฮ์ทีนี้อาลียาอาลียานี่ยแปลง่านะแปลว่าสูงพูดเยอะ พูดชมกันเยอะมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อาพดุลลองพวกอ่านหนังสือภาษาอุรุดูเนี่ยขบวนละมาดของพวกเราเนี่ยทั่วโลกนี้นะไม่ขาดสักนาทีนึ่งนะเพราะโลกเวลาไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะอันนี้นะมาดสุโบรอันนี้นะมาดอิชาอันนี้นะมาดมะเรียบอั น, นี้ลมา ศ, นนนามาศในเวลาทุกเวลาน่ยมีนะมาดหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ มีเสียงอาญาเนี่ยขึ้นทังบนฟ้าตลอดเวลาเพราะเวลาไม่เท่ากันเนี่ยมินิดไม่เท่ากันเนี่ยทั้งโลกที่มีแต่เสียงอัลล์อัลล์อัลล์อัลล์เสริญอัลล์ชมอัลล์ชมนบีมุฮัมมัดชมนบีอิรอิบราฮีมกะหึมขึ้นท้องฟ้าหมดเลยอู้ชจริงจริงเนี่ไง ก็ในในในุ้อานอธิบายไว้นบีบระฮิมขอเลยถ้ามาเช่มุสลิมอัลลอฮ์อย่าอเมตตาเฉพาะผูดศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นมขอทวนเอาไว้นะที่อัลลอฮ์เมตตาในเพวาอัลลอฮ์วางกฎเอาไว้แล้วคนไม่เอาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์บนดุลยานี้อัลลอฮ์เมตตาอยู่นะแต่เมตตาเฉพาะบนโลกดุลยอย่าเพราะอาคิดเราลงตาอยู่สินะครับเอาทีนี้ วาวาฮาบนาลาหุมมิรหสมาตินาเราได้ประทานความเมตตาของเราให้แก่พวกเขาและเราได้ทำให้พวกเขานั้นมีชื่อเสียงดีเดน่นเรื่องลือกล่าวขวัญอย่างฟุ้งเฟอ้อคือมีคนพูดถึงสรรเสริญอย่างจริงใจอาลียันบราว่าสูงทรงนะครับมีคนพูดชมจริงไหมจริงจริงครับเนี่ยตถาลาเล่าให้เราฟังจริงๆง อทีนี้คําว่าอาลิยนนิวมีผู้กล่าวถึงด้วยการสอรเสริญอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าศาสนาทั้งหมดเนี่ยทุกศาสนาในโลกนี่นะศาสนาอิสลามศาสนาคริสตศาสนายิวเนี่ยพูดชมนบีอิบรอฮีมกันหมดทุกคนและลูกหลานของท่านด้วยในคัมภีร์คุณอานพระอธิบายอย่างนี้วาราฟาอนาลาการิครกอกแปลว่าอะไร ว่าเราฟ้านาละกะริกรกในวัดบุฮาใช่ไหมอ้าวใช่แปลว่าอะไรครับเราได้ยกย่องท่านนะครับให้มีคนพูดถึงท่านในทางที่ดีใช่ไหมอย่างฟาโรมีคนชมมรือเปล่าเฟรดอุลมีคนชมมั้ยไม่มีมีแต่คนด่าหมดก็ขออดาได้เนี่ยขอดุอาระ แต่ประทานความอะไรนะความโปรดปรานให้กับนบีอิบราฮีมให้ลูกหลานของนบีอิบราฮีมเพราะที่มาของาศาสนาคือนบีอิบราฮีมนะะต่อมากระยะที่ห <c oughs> ้าสิบเอ็ดวัดกุร์ฟิลกิตาบิมูซาอินนฮุคานมุคลาะ ว่าเป็น رسول นบีอัลลอฮฺว่า ذكر ใน الكتاب มูซานั้นเขาเป็นมุขลัทธ์และเป็น رسول นบีอัลลพูดเรื่องนบีอิบราฮิมดีๆอัลลอฮฺเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องนบีมูซาทำไมอะ ไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์กำลังคุยกับนบีบรฮิมห่างกันนบนบีมูซ่ากันั้ปกี่ปีโอู้นานอะ่ะอันดุพุนนบีมูซ่าอีแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยในบ้านเราต้องคุยเรื่องอย่างนี้เรื่องดีๆเอา้าคุยเรื่องนบีให้ลูกฟังเนี่ยลูกจำนะอย่าไปคิดว่าเด็กมันไม่จำหรอก เล่าโดยนบีมูซานาบีบรอฮิมนบียะคูบนบีอิสฮะกนบีอิสมาอินให้ลูกฟังใช่ไหมแล้วก็ข้อคิดจากบรรดา น, นาบีที่อัลลอฮ์เล่านะ่ะ เ, เ, เป็นไอ้บรอเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดพี่น้องบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเรื่องของนบีนั่นแหละอ้ะอาวมาดูนบีนบีมูซาอัลลอฮ์สอนว่งงาไงวะสกุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงเล่าเรื่องราว ของใครของนบีมูซาฟิลกิตาบเอาจากคัมภีร์คุารานี่แหละไปเล่ามาให้แต่งเองท่านหนังสือท่านเป็นน้องซื้อมาจากร้านเนี่ยนะมันก็ต้องอ่านต้องนึกเดิมถูกเสียเปล่านี่ใช่ไหมอาจจะเราอ่านคุารานด้วยเราอ่านประวัติศาสตร์ของนบีมูซาก็เทียบเที่ยวกันบ้างโอ้ถ้าคนที่แต่งเขามีสุนนะเยอะมีคุารานเยอะเขาก็แต่งได้ดีมากนะ ทีนี้อัลลอฮ์สั่งมูฮัมหมัดเอ๋ยจงเล่าเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสแลมอ้าพี่น้องดึกนบีมูซาพี่คนยังไงอัลลอฮ์นบีมูซานี่เก่งจริงๆนะมาปราบใครฟาโรพี่น้องทราบไหมผมอ่านในตัฟซิดนีนะ <c oughs> ฟาโรเนี่ยมีคนงานดูแลครอบครัวฟาโรอย่างเดียวส5 0 0 0ันท่าน ดูแล acá, คนครอบครัวเดียวแลเท่าไรสามหมื่นห้าพันแล้วสามหมื่นห้าพันคนอยู่กราบนะกราบต่อฟาโรเลยหรอมีคนสามหมืนห้าพันคนกราบเนี่นึกว่ายายแล้วนึกว่ายายไม่ยายอากิได้ผิดเพี้ยนจะมีคนเยอะขนาดนายนก็เพี้ยนได้ ไอ้0 0 0หนทําคนทำให้ฟาโรเ อ, อฟารน์นีตะกะบดเยอะหญิงจงของเสียหายเลยทั้งชีวิตน ะ, ะเพราะฉะนั้นวะกุรมุฮัมมัดเอ อ, เออัลลอ์เตือนนะจงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของนบีมูซาให้อุมมะของพวกเราเนี่ยของนบีให้ฟังอขอเล่านาะ ม, มูซานิดหนึ่งมูซาเป็นคนยังไงครับอินนาฮูกานา ในอายะนี้มีสามลักษณะใหญ่ๆของนบีมูซาที่อัลลอฮ์เล่าวนะอินนาฮูกานะมุคลซอนไม่ใช่ม uh uh ุคลิสนะมุคล uh ัสนะมุคลัสผมอ่านจากพระตับซิด บ, บอกว่ามุคลัสแปลได้อย่างนี้แปลว่ามุสตอฟาไม่ใช่ชื่อผมนะแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วมุคล uh ัสแปลว่ามุจตาบะถูกคัดเลือกแล้ว อีกคำหนึง่งมุคตาแปลว่าถูกคัดเลือกแล้วจะนั้นคำว่ามุคลัสเนี่ยนบีมูซาเป็นบุคคลที่อัลลอฮคัดเลือกให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดด้านไหนมุสลิมเวลาจะพูดในเรื่องความสะอาดสะอาดด้านไหนก่อนหัวใจก่อนแล้วก็ต่อมาก็ด้านนอกด้านนอกก็คืออาบนา้ำอาบท่าใช่ไหม มีจนาบ้าถ้าไม่ามอาบน้ําอาจนาบ้าติดตัวอยู่อโหรไม่ดีอีกฉะนั้นหัวใจต้องสะอาดสองร่างกายภายนอกก็ต้องสะอาดนี่มุสลิมอัลลอฮ์สอนเลยหัวใจสะอาดก็คือหัวใจที่ไม่มีพระเจ้าองค์อื่นๆจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวของเขาต้องไม่มีมีหลายคนเนี่ยนะขับรถลงภายใต้นะ พอไปถึงไหนก็มีนั่นแหะที่จุดจประทัดกัน่ะจังหวัดอะไรนะชุมพรเนี่ยว่ามุสลิมโทรศัพท์มาหาผมคนหนึ่งอาจารย์ผมเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วอะ่ะเขาจุดประทัดปุป๊บแล้วผมทํำยังไงผมก็นึกไม่ออกอ่านงี้สิอ่านอะจจโกศอัลลอฮุลเลาะฮิลาอิลาอูลฮายุลกัยยุมลาตักูซูซินตูวานาคุณไม่ต้องไปจุดประทัด เนี่ยไปน้องไปทําอะไรก็ตามแต่ตามคนกาแฟตชิริกต้องไม่ชอบไปตามใครเลยเราเห็นเขาบูชาเรากว่าอินนาลิลละวะอินน่าอิลัยยูรย์ยูฮนอัลลอฮุลออิลอายาสามอ่าสามกุนตามตัอายากรุสีดีที่สุดเนี่ยเป็นการปฏิเสธเราไม่ทําตามคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรไม่ได้นะครับไปน้อง นบีมูซาเป็นคนยังไงครับมุคลาซอนอให้เป็นผู้บริสุทธิ์นะสะอาดข้อที่สองวากานะรอซูละแล้วก็เป็นอะไรอีกครับแท้จริงนบีมูซาเป็นอะไรนะเป็นรอซูลและอีกข้อหนึ่งเป็นนบีนบีก็รอซูลแต่ต่างกันยังไงนต้องอธิบายพี่น้อง นบีก็คืออัลลอ์สั่งมาให้ทาหน้าที่สอนตับลิกดาวะเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอ์แต่ไม่มีคำพีไม่ได้ประทานคำพีให้ใช่นะเอาคำพีเรื่องเก่าๆที่เขาที่ถูกประทานผ่านนาบีท่านอื่นนะเอามาสอนส่วนรอซูนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็ประทานคำพีมาด้วย มีคู่มือนะอย่างมุฮัมมัดเนี่ยมีคัมภีร์คุรานใช่หน บ, บีมูซามีคัมภีร์เตอร์รอให้ประทานคัมภีร์มาและเอามาสอนฉะนั้นน บ, บีทุกคนเนี่ยสอนศาสนาแต่ไม่มีคัมภีร์เป็นของตนเองส่วนรอซูนนั้นมีทั้งหมดห้าคนมีใครบ้างโน ح, อิบรอฮิมะมูซาไอซามุฮัมมัด อ่านี่เป็นรสูลได้รับคำพีมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาแล้วในบีาดา ม, มไม่ใช่ฮะก็กูอัา น, นไม่เล่าเราอยากเราอยากจะ น, นับไปหมดแล้วนะแต่ว่าอัลลอ์ไม่เล่าแล้วก็ไม่เล่าตามนั้นนะนะอาดามเป็นเป็นนบีอย่างเดียวทีนี้ตั้งแต่อาดามถึงนบีนวนประมาณพันปีนะคนดีหมดนะ่ะ คนหลังจะพันปีแล้วคนเริ่มเละนับถือพระเจ้าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอะ์เละหมดแล้วจานี้ อ, อก็ไม่เป็นไรอ๋ภาษาเนี่ยอลัลละฮ์ก็ให้มาเลยนี่แหละ คืออัลลอฮฺมันไม่ได้เล่ากันเราฟังว่ามีมีอาจจะมีหนังสืออะไรสักอย่างแต่ว่าคัมภีร์จริงๆที่มาจากอัลลอฮฺนี่ไม่ไม่มีมาจจะมีว่ามีการเรียนการสอนน้ำธรรมดาแบบนี้พูดพูดกันอะไรกันนี่นะในรายละเอียดเราเราไม่เรียนสาขานี่เราไม่รู้อ่ะนี่ว่าในรายละเอียดอ่าต้องไปรู้ออ่ะทีนี้คําว่ามุคลาสเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่สะอาดผู้บริสุทธิ์จากได้นะจากชิริกอ่า ไม่นับถือพระเจ้าหลายองค์เนี่ยอลัลลอฮ์เลือกคู่กับนบีมูซามีอีกคนหนึ่งรู้ไหมชื่ออะไรชื่อฮารูนคู่กับนบีมูซาชื่อฮารูนเป็นพี่ชายของนบีมูซาทําไมนบีมูซาเนี่ยข้อบกพร่องมันมีอยู่พูดไม่เกง่งติดอะไรติดอ้างส่วนฮารูนเนี่ยพูดชั้นหนึ่งเลยคล่องเป๊ะเลยแต่ทําไมอลัลลอฮ์เลือกมูซา คำตอบทนทั้ี่คุณอานเนี่ยอินนาหูการมุคลาะซอนใจสะอาดอาลัลลอฮ์เลือกคนใจสะอาดนอลัลลอฮ์มันจะเลือกเอาคนเก่งคนรวยนะไม่ใช่เอเลือกเลือกคนที่ใจสะอาดดันั้นคนที่ใจสะอาดเนี่ยอัลลอฮ์อัอลลอฮ์เมตานี่แต่นี่คนที่พูดเก่งมาอยู่กับคุณในใจสะอาดดีไหมดีเดี๋ยวก็ค่อยสอนกันอะไรกันมันก็ซักฟอกไปเรื่อย เอาคนรวยมาอยู่โดยกันดีไม่ดีค่อยๆสอนกันเยี่ยมกับบริจาคที่มันก็พูดมากกว่าแนะนําแทนคนที่ใจสะอาดต่อไปท่านเวลาอาลัลลอฮฺจะเลือกใครเป็นผู้นำํำนี่สอนพวกเราวันนี้ต้องเลือกเอาคนที่ใจสะอาดไม่ใช่รวยอย่างเดียวพวกเยอะก็ไม่ได้เอาใจสะอาดแต่นใจสะอาดต้องอยู่โดยการปฏิบัติเทนนะ่ะโอ้มาละหมาดเป็นประจำพูดจาดีอะไรดี มันก็ต้องมูชาวราระกาลต้งคุยกัน น, ะนี่ลัการเลือกเลือกผู้นำนะนะเดีนี้เป็นตัวเอาต่อมาครับเราต้องการอีกอายาหนึ่งอธิบายอย่างนี้นะครับอินนาอคลัสนาฮุมบีคอลิซอตินซิกรัดารอธิบายคำว่ามุคลัสนี่นะเราได้เลือกเขาทั้งหลายโดยเฉพาะให้มีลักษณะเป็นผู้เตือนล้ำลึก แต่งตั้งนบีมาเนะ่ยเพื่อให้นบีนี่ไปเตือนคนให้จำลึกถึงวันอาคีรออ่านี่สรุปสั้นๆ น, นะที่อัลลอฮฺแต่งตั้งผู้นำผู้นำผู้นำขึ้นมาเนี่ยนะนบีนบีนบีขึ้นมารอซูลรอซูลรอซูลขึ้นมาตั้งมาทําไมเพื่อเตือนจำลึกให้นึกถึงโลกอาคีรอนะครับให้นึกถึงวันตอบแทนในโลกอาคีรอ ให้นึกถึงโลกอาคีรอให้นึกถึงวันตอบแทนในโลกอาคีรอให้นึกถึงว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคเราอทรงนํานบีมารอซูลมาแต่งตั้งเขาเหล่านั้นให้มาพูดเตือนเรื่องโลกอาคีรอเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดเรื่องดุนยากันทุกคนแล้วใช่ไหมล่ะอ่าแมกมานีทํายังไงรู้แล้วต้องทำธุรกิจตอ้องยางนั้นยังงั้นย่างงั้นย่างงั้นอ้าว ต้องการจะสร้างบ้านให้สวยทำอย่างนี้อย่างนี้นมีพูดพูดเรื่อ ง, ด, อ ง, องดุลยากันหมดแล้วแต่พูดเรื่องอาคีระรอมีกี่คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เอาลอตแต่งตั้งนบีนบี น, บ, นบีมาเพื่อไม่ให้คนเนี่ยลืมโลกอาคีร์รอมมาเตือนสติให้นึกถึงโลกอาคีร์รอมสรุปเราต้องการคนที่พูดเตือนผู้คนให้นึกถึงให้จำเลึกถึงวันอาคีร์รอม นึกถึงวันตอบแทนในโลกอาคีร์เพราะคนที่เตือนให้ผู้คนนึกถึงโลกดุนยามันมีเยอะอยู่แล้วแต่นึกถึงในโลกอาคิร์น่ะมีน้อยมะน้อยกระทูกดาด้วยใช่ที่ไม่ใช่อ้าวอีกอายันหนึ่งกวามาอัลัลามิงกวบลีกามิรอซูลินวาลาบีน แล้ก่อนหน้านาบีคือเป็นนบี ม, มัลล์นทอแท้ใจนะสศา ส, สนาถูกด่าเนี่ยท้อแท้ใจอลัลลอฮ์ก็และ่นะปอบใจมุฮัมมัดเอ๋ยก่อนหน้ามุฮัมมัดเนี่ยเราได้ส่งรอซูลเราก็ได้ส่งนบีมาไม่มีนบีคนใดนะเวลาเขาหวังอิดะตะมัน น, นานบีทุกคนมีความหวังอยู่ข้อหนึ่งอะไรรู้ไม อยากจะให้คนมีอะไรมีอีมานอยากให้คนมีศาสนาใช่หรือไม่ใช่นี่เป็นความหวังของนบีรอซูลทุกคนเหมือนกันหมดพวกเราวันนี้ก็เหมือนการที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยมีความหวังเหมือนนบีต้องการจะให้ผู้คนลูกหลานเรามีศาสนาให้ลูกมีอีมาหาญาติพี่น้องนามาทายาติพี่น้องอ่านกูอา น, อา น, อานใจมันนึกเหมือนกันหมดเนี่ยพระเจ้าตรามานาอิราตามานาเมื่อนบีนึกมีความหวัง เรามีความหวังจะให้สังคมดีบ้านเมืองดีลูกหลานดีจะไม่ตัวเราเองดีภรรยาดีอัลกุชชัยตอนฟีอุมนียตีอลัลลอฮลลอฮไฟังนะซาตอนมันจะมาขอแจมด้วยกูขอร่วมด้วยได้ไหมเนียตเขอเองน่ะดีแต่ฉันขอร่วมด้วย เวลามันมาร่วมปามเดิมมันก็จะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเฉลยแล้วสิจะทําเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนบีเนี่ยมาทําเพื่อใครนะทําเพื่ออัลลอฮ์สอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้กลัวอาเลละฮ์พอชาตตอนเข้ามาเนี่ยอัลลอฮ์เล่านะชาตตอนมันก็จะเข้ามาฉันขอร่วมด้วยคนนึงอย่าตรงนักเลยทําเพื่อเงินบ้างก็ได้ทําเพื่อชื่อเสียงบ้างก็ได้ทําเพื่อเกียรติยศบ้างไม่ได้หรือโดย ตั้งประชุมมาส4ห้าคนชัยตอนไปอยู่กับคนนี้ท่านครับเอผมว่าทำเพื่อเงินบ้างไม่ได้นะคนคอ น, นี้ก็สับสนเลยเออเอาหรือไม่เอาเนี่ยชัยตอนมาอย่างนี้เห็นไหมนี่อัลลอฮ์เล่าดังพรอา่านเลยนะอิลลาอิลลาแตมานาไม่มีนบีคนใดเมื่อนบีคนเหล่านั้นตั้งใจมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้สังคมเป็นคนดีอัลกชัยอนฟีอุมเนียต อัลลอ์ก็จะสรงใสตตอนมามายุแย่ให้ประชาชนมคาค้านเกี่ยวกับความหวังเรื่องตับล็กาศาสนาของคุณให้ทำเพื่ออัลลอ์นะ่ะให้นึกเป็นอย่างอื่นบ้างไม่ได้หรือนี่มันมาอย่างนี้เห็นไหมแทนท้อแท้ใจได้ไั้มไม่ได้นั่นต้องขอดุวอาตาอละยาอัลลอฮ์ให้ฉันมีใจอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์ด้วยเธอทำงานเนี่ยอันนี้เป็นต้นว่ า, วามุคลาส นบียันราสู้ดันนะครับพี่น้องอัลโลไม่จบอายะที่52บว่านาดานาหูมินจานิบิตูริลไอมันิวกัลรับนาหูนาจียเวลาหมดแล้วนะอะอ่านอีกทีนะและเราอัลลอฮ์นาดายนาหูได้เรียกได้เรียกนะอัลลอฮ์เรียกใครนะ เรียกนบีมูซาจากไหนครับมินจานิบิตูจากด้านจากด้านขวาของของภูเขานาบีมูซาเนี่ยหลังจะแต่งงานแล้วพาภรรยากลับบ้านมันหน้าหนาวเดินกลางทะเลทรายมันหนาวหนาวเห็นอลัลลอ์ให้เห็นไฟพอเห็นไฟป้าบอกว่าเธอนั่งเฉยเฉฉันจะไปเอาไฟมาเอาม า, ม า, ม า, มาหาความกลกลญ พอไปถึงปั๊บเนี่ยอลัลลอฮฺเรียกด้านขวามือของนบีมูโซาเลยทําไมต้องขวาซ้ายบางไม่ได้หรื อ, อตอบเองได้ไหมได้เพราะว่างานดีๆต้องทําด้วยมือขวาเอาเก็บขยะมือไหนขยะมือซ้ายนะล้างก้นมือซ้ายนะทานอาหารมือซ้ายนะนี่จะลูกเรากินอาหารมื อ, ม, อมือซ้ายมีไหมมีครั้งมี ของขวาด้านขวาดีที่สุดด้านซ้ายเป็นของไสตอนแต่เวลาจะถูกรอก็หลอกง่ายเหมือนกันคนที่ฝรั่งจ๋าเนี่ยนะเวลาไปกินอาหารสเต็กอะไรสเต็กปลาสเต็กเนื้อเนี่ยมีดต้องมือขวาซ่อมต้องมือซ้ายอาหารจุ๊บจุอบบิสมิลลาเอ๋ยเชื่ออะไรนี่นะจะทานด้วยมือนะเห็นไหมนี่ไงะชตอนกูขอแจมบังไปได้เลย แล้วก็ใส่ตอนฟีอุมนี ย, ยาดีคุณหวังดีจะกินอาหารให้สุขภาพดีฉันขอแจงหน่อยได้ไหมมาแย่ขอกินมูอซานิดหนึ่ง <c oughs> นี่ต้องระวังสุนหขนบีต้องระวังตลอดเวลานะครับอัลลอฮ์เรียกนบีมูซาแต่งตั้งนบีมูซานะด้านขวามื อ, อ, อมูซานี่ไงอัลลอฮ์ตัดกับนบีมูซานี่งมีอยู่คนเดียวนะที่อัลลอฮ์ตัดกับนบีมูซาตร ง, ตรง มีาถาว่าคุณคือใครอ่ะมาคุยกับฉันอาลลอฮฺฉันคือพระเจ้ า, าคืออัลลอฮฺอยากเห็นหน้าอัลลอฮฺเป็นภาษาแต่อัลลอฮเป็นภาษาอับออยากเห็นหน้าอัลลอฮฺเราบอกมุสลคุณเห็นหน้าฉันไม่ได้อยากเห็นน่ะอ้ะะาว ม, นะมองไปมองมุมที่ภูเขาสาั่งให้มองก็มีรัศมีมามีไฟมาพอเห็นไฟปั๊บสลบเลย พอหายสลบอย่ารอฉันเชื่อแล้วว่าฉันเห็นท่านไม่ได้บนโลกตุนยาใบนี้แล้วก็แต่งตั้งให้ใหเป็นนบีคิดว่างอยากเห็นอันรอดไหมพุ่มอันธดีษพบแน่ใครที่อยากเห็นอัลลอฮ์นา ม, มาจะขาดแล้วทุกครั้งที่กําลังนา ม, มาดอยู่นึกยังไงนึกว่าอัลลอฮ์ทรงจ้องมองเราอยู่จ้องมองดูเราอยู่ มันจะทําดีไม่ดี อ, อัลลอฮ์ยกมือก็ทํางุนหน้านาบีเป๊ะกอยก็ต้องกอดอกอลัลลอฮ์ทดีกูชั่วนั่นแสดงว่ า, อ, าอัลลอฮ์จ้องมองเราอยู่คนที่นึกในนามาว่าอาลัลลอฮ์กำลังจ้องมองเขาอยู่นั้นในวันตี亚马ทานกูโบก่อนนะฟื้นขึ้นมาไปอยู่ในสวนสวนรรค์ถึงจะเห็น อ, อัลลอฮ์บีบีอาญาด้วยตาชัดๆเลยเลยพี่น้อง พขาเข้าสวรรค์เสร็จแล้วนะอลัลลอฮ์ถามมีอะไรให้ฉันเพิ่มยังไหมในสวนสวรรค์ชาวสวรรค์ตอบว่าอาลัลลอฮ์แค่ใบหน้ามีรศมีฉันก็อิ่มแล้วแค่ให้ฉันไม่ตกนรกและอลัลลอฮ์ให้ฉันเข้าสวรรค์ฉันพอใจที่สุดแล้วต้องการอะไรยังไหมไม่เอาแล้วเอเลอาแบบเปิดม่านพอเปิดม่านเห็นพระพักอัลลอฮ์โอ้ มันอิมเอิบที่สุดคนที่เข้าสวรรค์ที่อิมเอิบมากก็คือเห็นใบหนะ้อาอัลลอฮฺเห็นประพักอลัลลอฮฺสุภาพนะฮุบอตาหนะท่านคนที่จะเห็น อ, อัลลออย่างนี้ต้องนมาตตอนนี้ทำตัวยังไงนะให้เราทำความดีเหมือนกับท่านเห็น อ, อัลลอแต่หากว่าท่านไม่เห็น อ, อัลลอให้นึกว่ า, อ, าอัลลออย่ารอนะอาอัลลอฮฺสมเห็นเราไปออกที่นูน่นเหมือนกับ พี่น้องเดินมาโซราเนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมไปเห็นรัศมีที่ไหนที่ทุ่งม้าชักนู่นโอบโลกเก็บนอนนานเหลือเกินกว่าจะได้รางวัล น, นี่ไงเราเป็นคนกี่โลกนะสามโลกแบบน บ, บีมูอิซาบอกไงนะซาลามุนาเลยเย้ยามาฮูลิด ต, ตัวเย้ามาอามูตัวเย้ามาอุบอสุฮัยะชันเป็นวันโลกดุนยาวันหนึ่งโลกหลังตายวันหนึ่งโลกอาเคลาวันหนึ่งแค่สามวันเอ้ Atibah m e b u Subhanaka l l a h u m m a bihamdi k a s h l a illa illa anda a s t a g h f i r u l a h a d u biila. Wassalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.